พระบัญญัติ583ก็พิกษูใดรับหรือใช้ให้ผู้อื่นรับทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัณนิสักคียปาจิตติเรื่องพระอุปนันท า, ากยบุตรจบ